พูดธรรมะให้เด็กฟังก็ไม่เคยพูดไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมีแต่ผู้ใหญ่ที่มาฟังเทศฟังธรรมไม่เคยไปสอนเด็กก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรถ้าพูดธรรมะให้เด็กฟังก็เสียเวลาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ก็อยากจะฟังธรรมะของผู้ใหญ่แต่ถ้าพูดธรรมะให้ของผู้ใหญ่ฟังเด็กก็ฟังไม่รู้เรื่อ ง, องให้บางทีมันต้องมีการแยกกลุ่มเวลาการจะสอนธรรมะนี่แยกกลุ่มบางทีญาติโยมก็กลุ่มหนึ่งพระก็กลุ่มหนึ่งพระก็ท่านก็มีธรรมของท่าน ญาติโยมก็มีธรรมของญาติโยมเด็กก็มีธรรมของเด็กเห็นถ้ามาเรียนร่วมกันก็เหมือนเอาเด็กประถมเด็กมัธยมนักศึกษามหาลัยมามาเรียนร่วมกันทีเดียวก็จะสับสนถ้าจะพุ่งไปที่เด็ก ผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้ประโยชน์ถ้าพุ่งไปที่ผู้ใหญ่เด็กก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องมีการแยกกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมในตอนบ่ายในตอนค่ำก็สั่งสอน พระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนักบวชยามดึกก็สอนเทวดาพวกกายทิพย์ซึ่งมีสถานภาพที่ไม่เหมือนกันรมของแต่ละกลุ่มจึงไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายเหมือนกัน แต่ระดับการเรียนรู้การรับรู้นี้มีไม่เท่ากันเหมือนกับเรียนหนังสือระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมก็เป็นวิชาความรู้เหมือนกันแต่ระดับความเข้มข้นความยากง่ายมันไม่เหมือนกันจึงต้องแบ่งกลุ่มไว้เ อินทีย์ของผู้ฟังคือสติปัญญาและความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นีมีความสามารถไม่เท่ากันผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนเวลาฟังก็จะเข้าใจได้น้อยกว่าผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ากว่า คนที่ฉลาดฟังหนเดียวก็เข้าใจคนที่ยังไม่ฉลาดฟังหนหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจบางทีฟังสองหนก็ยังไม่เข้าใจบางทีต้องวาดภาพให้ก่อนวาดกระตูให้ดูก่อนพอเห็นภาพแล้วถึงจะเข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ นี่คืออินทรีย์ของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีความสามารถที่จะรับธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากน้อยไม่เท่ากันแม้แต่ในระดับเดียวกันก็ยังมีความต่างกันเช่นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้า ส่งสแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระปัจจวัคคีพระปัจจวัคคีก็เป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชมีความสามารถรักษาศีลได้เท่ากันมีความสามารถนั่งสมาธิเข้าฌานได้เท่ากันแต่ความสามารถใน ระดับปัญญาคือความเข้าใจความจริงต่างๆนี้ยังไม่เท่ากันเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงความจริงคืออริยสศศศัจสีให้แก่พระปัญจวคีมีเพียงองค์เดียวที่เข้าใจและบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ก่อนเพื่อน ก่อนอีกสี่รูปหลังจากที่พระ อ, องค์ทรงสแสดงเสร็จพระ อ, องค์ยังตัดว่าก่อนอันยญากนณัญญาเธอรู้แล้วหนอเธอเข้าใจแล้วหนอะทำที่เราสแสดงไว้เพียงแต่ชมองค์เดียวเท่านั้นอัยญากนณัญญาคือทำข้อสอบได้พูดง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนเสร็จแล้วก็ ให้ข้อสอบไปทำทันทีอคนที่ฉลาดฟังปั๊บก็ได้คำตอบทันทีจิตใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทันทีมีเพียงฟังพร้อมกันห้ารูปแต่มีรูปเดียวบรรลุธรรมก่อนเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเอกสอรูปนั้นจะไม่ได้บรรลุ เแต่ว่าเขาต้องขอเวลาไปทำการบ้านก่อนไปนั่งคิดพิจารณาฟังแล้วสติปัญญาตามไม่ทันต้องมานั่งนึกภาพอานึกภาพได้สักระยะหนึ่งก็เข้าใจก็บรรลุทำตามกันได้นี่คืออินทรีย์ ของผู้ฟังแตร่ระดับนี้มีไม่เท่ากันระดับศรัทธาก็เป็นระดับแรกระดับที่สองก็ระดับสติหรือสมาธิระดับที่สามก็คือระดับปัญญาเนี่ยผู้ที่มาฟังเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็ไม่เท่ากัน บางคนก็เชื่อมากบางคนก็เชื่อน้อยจะวัดกันที่ไหนก็วัดที่การปฏิบัติตามคำสอนว่าปฏิบัติกันมากน้อยเพียงไรคนที่เชื่อมากก็จะปฏิบัติมากคนที่เชื่อน้อยก็จะปฏิบัติน้อยเช่นสอนให้ทำทาน บางคนก็ทําร้อยละห้าบางคนก็ทําร้อยละสิบบางคนก็ทําร้อยละห้าสิบบางคนก็ทําร้อยละร้อยทาเต็มร้อยเลยพวกทําเต็มร้อยก็คือพวกไปบวชมีเงินทองเท่าไหร่ทําแจกให้คนอื่นไปหมดเลยมี เรื่องของลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นสามีภรรยาคู่หนึ่งท่านก็มีศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนตอนก็ทำน้อยไปหามากทำบุญทำทานไปตามตามที่ได้ถูกสอนมาเช่นใส่บาตรรักษาศีลห้าวันพักก็ไปวัดถือศีลแปด ฟังเทศฟังธรรมก็ทาไปเรื่อยๆแล้วพอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติศรัทธาก็เพิ่มมากขึ้นไปจนอยากที่จะไปบวชก็เลยสละมีทรัพสมบัติแต่ไม่มีลูกหลานสามีภรรยาเศรษฐี ชาวนาชาวไร่มีสมบัติแต่ไม่มีลูกหลานจะมารับช่วงต่อก็เลยประกาศให้ชาวบ้านว่าใครอยากได้อะไรก็มารับไปใครไม่มีวัวควายมารับไปใครไม่มีเนื้อไม่มีที่นามาเอาไปใครไม่มีบ้านอยู่มาเอาไปเพราะเขาจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว เขาต้องการธรรมะเพราะเขาได้ริมรถของธรรมแล้วว่าเป็นรถที่เหนือกว่ารถทั้งปวงเหนือกว่าความร่ำรวยเหนือกว่าความเป็นใหญ่เป็นโตเหนือกว่าการได้รับรางวัลสัดเสริญต่างๆเหนือกว่าความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะพอเขาได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้ว เขาก็ไม่อยากจะได้อะไรอยากจะได้ลถแห่งธรรมให้เต็มร้อยขึ้นมาก็ต้องออกบวชถึงจะได้มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาผลของธรรมนี่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุคือการปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลก็น้อยปฏิบัติมากผลก็มาก จะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาว่ามีมากมีน้อยคนมีศรัทธาน้อยก็ปฏิบัติน้อยคนมีศรัทธามากก็จะปฏิบัติมากผลก็จะมากน้อยต่างกันไปคนที่มีศรัทธามากในที่สุดก็จะได้ผลสุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระนิพพาน ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือความแตกต่างของอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์นี้มีอยู่ห้าข้อข้อหนึ่งเรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่สองเรียกว่า ความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็อยู่ที่อยู่ที่ศรัทธาว่ามีมากมีน้อยนั่นเองถ้ามีศรัทธามากก็จะปฏิบัติมากจะมีความเพียรมากถ้ามีศรัทธาน้อยความเพียรก็จะน้อยทําน้อย แล้วเมื่อมีศรัทธามีความเพียรก็จะเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ให้ปฏิบัติธรรมคือการจเจริญสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็ให้สร้างให้สร้างอินทรีย์ที่มีอยู่ในใจให้มีเพิ่มมากขึ้น พาะเราทุกคนมีสติมีปัญญามีสมาธิแต่มีในระดับต่ำมีระดับที่ยังไม่เข้มข้นยังไม่เต็มร้อยถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็เหมือนน้ำผลไม้ที่เจือจางผสมเนี่ยสังเกต ด, ดูน้ำผลไมน้นี้เขาจะมีหลายหลายแบบแบบ มีสีมีกลิ่นอย่างที่เครื่องดื่มพวกที่น้ําผลไม้ที่มีผสม25เปซก็มีห้าสิบเซก็มีร้อเปอร์ซก็มีนนี่คือความเข้มข้นของอินทรีย์ที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนะถ้าอินทรีย์มีความเข้มข้นมาก ความสามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงทมขั้นต่างๆก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยอินทรีย์ก็ต้องเต็มร้อยศรัทธาเต็มร้อยวิริยะอุตสาหะความภาคเพลินเต็มร้อยสติเต็มร้อยสมาธิเต็มร้อยปัญญาเต็มร้อย พอได้อินทรีย์เต็มร้อยก็จะกลายเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นมาพออินทรีย์เต็มร้อยเราก็ไม่เรียกว่าอินทรีย์เราเรียกว่าพละพละก็คือกำลังจิตใจจะมีกำลังเต็มร้อย ผู้ที่จะมีอินทรีย์เต็มร้อยนี่ต้องเป็นระดับพระอริยบุคคลถึงจะ บ, บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ได้ตามลำดับนี่แหละคืออินทรีย์ของของแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากัน ในระดับเด็กกับระดับผู้ใหญ่ก็มีต่างกันเพราะผู้ใหญ่นี้ได้รับการเสริมอินรีมามากกว่าเด็กเด็กเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่ปีเพิ่งไปเสริมอินรีทางสติปัญญาไปโรงเรียนพิเรียนหนังสื อ, อยังได้ไม่กี่ปีไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านเหตุการณ์ผ่านอะไรต่างๆมา ก็จะเกิดอินทรีย์เกิดประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจึงมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากกว่าเด็กนี่คือความไม่เท่าเทียมกันในอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติยังมี หลายหลายระดับด้วยกันบางบางท่านก็ยังติดอยู่ในระดับขั้นต้นคือทำได้เพียงทำบุญทำทานรักษาศีลห้าบางท่านก็สามารถที่จะเพิ่มในวันพระจากการถือศีลห้าไปถือศีลแปดแล้ว เปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่วัดเปลี่ยนพฤติกรรมการหาความสุขจากการหาความสุขจากทางร่างกายก็เปลี่ยนมาหาความสุขทางจิตใจผู้ที่ถือศีลแปดก็จะไม่หาความสุขจากการดูภาพยนตร์ดูละครไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทาน ถ้าจะดื่มหรือจะรับประทานก็ดื่มแบบรับประทานแบบยิดื่มยารับประทานยาคือถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็รับประทานถ้าไม่ถึงเวลาก็จะไม่ดื่มไม่รับประทานผู้ที่ถือศีลแปดผู 8, ้ที่จะต้องการเข้าหาลถแห่งธรรมที่ดีกว่าลถของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ก็วันพระก็จะลองมาฝึกมาฝึกถือศีลแปดแล้วก็มาหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจะเริญนสติและทำใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความฉลาดที่จะรักษา รสแห่งธรรมที่ได้จากการฝึกสติฝึกสมาธิให้อยู่ไปกับใจไปตลอดนี่ก็อีกระดับหนึ่งวันธรรมดาก็ถือศีลห้าใส่ทำบุญใส่บาตรเป็นปกติพอวันพระก็ไปปีกวิเวกไปอยู่วัด วัดก็ต้องเป็นวัดที่มีการปฏิบัติไม่ใช่วัดที่มีมหโหรสพบันเทิงต่างๆอันนั้นไม่ใช่วัดแล้วอันนั้นเป็นมหโรสพบในรูปแบบของวัดคนไปที่นั่นเขาไม่ได้ไปไปหารถแห่งธรรมเขาไปหามหมหรสพบต่างๆ มีการละเล่นมีอะไรต่างๆให้เสพให้สัมผัสสำหรับผู้ที่ต้องการไปหารสแห่งธรรมจะไปจะไม่ไปตามวัดเหล่านั้นวัดไหนที่มีงานเออกระเทึกครืองโคมมีมหโหสถมีบันเทิงอะไรต่างๆนี้จะจะไม่ไปจะไปวัดที่มีความเงียบสงบ วัดที่มีการปฏิบัติธรรมมีการนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมีการนั่งสมาธิมีการเดินจงกรมเจริญสติอันนี้จะเป็นวัดสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงจะต้องไปหาที่แบบนั้นรถแห่งธรรมถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ รถแห่งธรรมปรากฏขึ้นในบ้านยากเพราะในบ้านจะมีรถของรูปเสียงกลิ่นรถมาคอยกั้นเอาไว้นั่นเองอยู่บ้านนั่งสมาธิเดี๋ยวคนนั้นก็เปิดทีวีคนนั้นก็เปิดเพลงฟังคนนั้นก็ร้องรำทำเพลงคนนั้นก็แจกกินอาหารเย็นก่อนนั่งสมาธิก็จิตใจก็จะไม่อยู่กับพุทธโธพุทธโธ่ะ มันจะถูกเรื่องราวต่างๆเข้ามาดึงไปนั่งยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เลยต้องไปเปกวิเวกการที่จะสัมผัสกับลดแห่งธรรมสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จําเป็นต้องไปอยู่ในสถานที่ที่สงบ ก, กายต้องวิเวกก่อนจิตถึงจะวิเวกวิเวกก็คือ สงบสงัดวางเวงนั่นเองอางานที่เราจะทำให้ใจสงบสงัดวางเวงเราก็ต้องไปอยู่ในสถานที่มันสงบสงัดวางเวงไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกิจกรรมมารบกวนความสงบถึงจะสามารถจเจริญสติควบคุมความคิดให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ นี่ก็ระดับหนึ่งก็คือระดับที่มีการปฏิบัติเข้มข้นขึ้นระดับที่สองระดับที่หนึ่งนี่ยังไม่เคยฝึกสมาธิยังไม่เคยถือศีแปดทำได้เพียงแต่รักษาศีหท้าทำบุญทำทานตามโอกาสตามความศรัทธาแต่ต่อมาเมื่อได้ได้ยินได้ฟังทำ ได้ยินเรื่องของความสงบว่าเหนือกว่าว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็อยากที่อยากจะสัมผัสการจะสัมผัสก็เหมือนกับการไปรับประทานอาหารนี่แหละพอเราได้ยินว่าร้านนั้นอาหารอาาร่อยอาหารถ้าอยากจะสัมผัสก็ต้องไปที่ร้านนั้นส่งคนอื่นไปแทนไม่ได้ส่งค น, นไปถ่ายรูปมาให้ดูไม่ได้ ดูรูปได้แต่มันไม่ได้สัมผัสกับอาหารอาหารนี้จะสัมผัสได้ต้องไปรับประทานถ้าไม่ไปเองก็ต้องให้เขาซื้อเอากลับมาบ้านมาส่งให้ที่บ้านแต่ ก, กินที่บ้านก็สู้ไปกินที่ร้านไม่ได้เพราะความสดความร้อนมันต่างกันที่ร้านนี่มาออกมาจากเตาสดสดร้อนร้อนถ้ามาที่บ้านมันอาจจะเย็นชืดขึ้นไปก็ได้ นี่คือรถแห่งธรรมพอได้ยินได้ฟังฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งจะต้องได้ยินคำนี้ว่ารถแห่งธรรมเหนือกว่ารถทั้งปวงชนะรถแห่งปวงรถทั้งปวงก็อยากจะลองดูว่ามันเป็นอย่างไรถ้าอยากจะลองก็ต้องไปอยู่ที่สงบไปอยู่วัดที่สงบมีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอน คอยแบบแนวทางของการทำใจให้สงบก็เลยต้องรอวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานก็จะลองไปเข้าวัดสักวันหนึ่งไปลองอหัดทำสมาธิไปลองถือศีลแปดงดเว้นการหาความสุขทางร่างกาย เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการหาความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางใจนั่นเองความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้ไปพร้อมๆกันไม่ได้มันแยกทางกันเป็นเหนือนไปทางเหนือกับไปทางใต้มันไปมันไม่ได้ไปทางเดียวกันถ้าอยากจะไปเหนือก็ต้องไปใต้ไม่ได้ ถ้าอยากจะไปใต้ก็ไปเหนือไม่ได้ต้องตัดสินใจว่าวันนี้จะไปเหนือดีหรือจะไปใต้ดีถ้าจะไปหาความสุขทางใจวันนี้ก็ต้องหยุดหาความสุขทางร่างกายก็ต้องมาถือสีลแปดสิญแปดนี้ก็มีเพิ่มอีกสามข้อแล้วมีเปลี่ยนอีกข้อหนึ่งข้อที่สามก็เปลี่ยน ข้อที่สามของศีลห้าก็คือไม่ประพฤติผิดปรเวณีคือจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของตนนะแต่พอมาถือศีลแปดศีลข้อนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากการไม่ร่วมหลับนอนกับให้จากการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาอัปรรมัจจริจารยาเวรมณี คือถือศีลพรหมจันทร์พรหมจรนท์ก็คือพรมนี่พับพับพรมนี่หาท่านไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพระพรมนี่หาความสุขจากการเข้าฌานเข้าสมาธิผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากการเข้าฌานก็ต้อ ง, งระงับการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน ก็เรียกว่าเสพกามนี่เองแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากไม่ให้ดื่มอะไรตามความอยากแต่อนุญาตให้รับประทานให้ดื่มได้ตามความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยาต้องมีเวลาคือไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้ว หลังเทียงวันแล้วไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารไม่ต้องไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำได้เพราะว่าน้ำนี่เป็นเหมือนยาที่ต้องดื่มตลอดทั้งวันทั้งคืนร่างกายต้องการน้ำตลอดเวลาเหมือนกับการต้องการลมหายใจลมหายใจก็ต้องหายใจตลอดเวลา น้ำดื่มน้ำสะอาอันนี้ก็ต้องมีให้ร่างกายดื่มตลอดเวลาแต่ไม่ต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติมีสีมีกลิ่นอันนี้เป็นการหาความสุขทางร่างกายให้ระงับเสียให้รับประทานอาหารได้ตามความจำเป็นของร่างกายรับประทานเหมือนรับประทานยาคือมีเวลาเทนา สองมือ้อเช้าหนึ่งมือ้อกลางวันหนึ่งมือ้อไ ด, ได้กินสองมื้อแล้วร่างกายได้รับประทานยาพอเพียงแล้วอยู่ได้ไม่ตายอย่างแน่นอนอเพื่อที่จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่ถ้ายังถ้าไม่ถือศีลขอ้อนี้เดี๋ยวก็อยากกินนู่นอยากจะกินนี่พ อ, ะอะจะนั่งสมาธิหน่อยอหิวกาแฟขึ้นมาแล้ว พอจะเดินจงกรมหน่อยหิวขนมขึ้นมาแล้นะก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องทําอะไรพอพอเกิดความหิวความอยากแล้วก็เดินไม่ได้นะเดินจงกรมก็เดินไม่ออกนั่งสมาธิใจก็ไม่อยู่กับพุโทโธใจก็จะไปคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มชนิดต่างๆอันนี้จึงต้องห้ามไว้เพื่อที่จะได้ไม่ ไม่ไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปออกจากการไปฝึกสมาธินั่นเอง น, นี่คือศีลข้อหกไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อเจ็ดก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากมหรศรศบันเทิงต่างๆและการเสริมสวยความงามทางร่างกายเพราะมันเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ ได้จากความสงบไม่ได้ น, นั่นเองถ้าอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็ต้องระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เสริมสวยความงามต่งตงางๆเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเมื่อกลับมานอนมันก็เละมันก็หมดนะ เตินขึ้นมาก็ง่ายผมก็ยุ่งแล้วอะไรก็หมดไปแล้ะก็ต้องมาเสียเวลาแต่งใหม่อยู่นั่นแต่งเท่าไหร่มันก็เดี๋ยวมันก็หายไปหมดมาหาความสุขที่อยู่กับใจไปนานๆดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายได้ แต่พอละก็ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็ไม่ควรจะนอนต่อวิธีที่จะทำให้ไม่นอนต่อก็คือต้องนอนบนพื้นแข็งๆถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆมันสบายพอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกต้อให้มันแสนสบายไม่รู้จะลุกไปทำอะไรนอนต่อดีกว่าแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่ พอร่างกายได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันเจ็บหลังนอนบนพื้นแข็งๆลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าเอาความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิดีกว่าเอาความสุขที่ได้จากการหลับนอนมันต่างระดับกันความความสุขระดับของการ ได้นอนบนพูกนาหนากับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เหมือนฟ้ากับดินนี่คือระดับที่สองของผู้ปฏิบัตินะระดับแรกก็ทำบุญทาทานรักษาศีลห้าไปพอวันพระก็มาขึ้นสู่ระดับที่สองมามาชิมลางก่อนมาทดลองก่อนดูสิว่าทำวันหนึ่งจะได้ไหม ถ้ามีความพยายามมีศรัทธาก็จะทำได้ถ้าเชื่อว่าการกระทำแบบนี้จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการที่เรารักษาศีลห้าทำบุญใส่บาตรเรามาเพิ่มทำบุญใส่บาตรแล้วก็มารักษาศีลแปแล้วมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังเทศน์ฟังธรรม อันนี้เราจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเมื่อเรามีศรัทธาเราก็จะมีความเพียรพยายามอาว่ายากก็ยากไม่เคยลองก็ต้องลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นคนเราทุกคนจะเจริญได้ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองถ้าทำแบบเดิมมันก็จะยืนเหมือนกับยืนอยู่กับที่ ถ้าทำบุญทำทานรักษาศีนหน้าไปเรื่อยๆมันก็จะได้แค่ระดับนั้นอันนี้สองของการทำบุญทำทานรักษาศีนหน้าก็จะทําให้ดวงจิตดวงใจเวลาตายไปกลายเป็นเทวดาเป็นดวงวิญญาณของเทวดาเท่านั้นแต่จะไปไม่สูงไปกว่านั้นยังมีระดับที่สูงกว่าของเทวดาก็คือระดับพรหม แล้วสูงกว่าระดับพรมก็มีระดับของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์มีความเหนือกว่าดีกว่ามีความสุขมากกว่าขึ้นไปตามลาดับดังนั้นพอเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่ามีอะไรที่ดีกว่าลอเราอยู่ข้างหน้า เราก็อยากจะไปกันเราก็อยากจะได้กันเหมือนกับเวลาที่เราเห็นโฆษณาสินค้าใชถ้าไม่เห็นโฆษณาสินค้าก็ไม่มีความอยากจะได้สินค้าชนิดนั้นแต่พอก็เอาโฆษณามาให้ดูรถรุ่นล่าสุดวิ่งเร็วอย่างไรมีสมรรถภาพมีความสามารถอย่างไรรถรุ่นเก่าที่เราขับอยู่ตอนนี้ก็ไม่อยากจะได้ละเพราะรุ่นรุ่นใหม่มันฉลาดกว่ารุ่นเก่านะ เดี๋วนี้มันขับแทนเราได้เราง่วงนอนเราก็ให้มันขับแทนก็ได้พอเห็นอย่างนี้เข้าเห็นโฆษณามันก็อยากได้การจะดูโฆษณาของศาสนาก็ต้องดูที่การฟังเทศฟังธรรมต้องฟังเทศฟังธรรม อ, อ่านหนังสือธรรมะนี่เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาสินค้าของพุทธศาสนา พุทธศาสนาก็มีสินค้าหลายระดับด้วยกันระดับเทวดาระดับมนุษย์ระดับพรหมระดับอริยบุคคลพอเราเห็นว่าตอนนี้เราอยู่แค่ระดับมนุษย์เท่านั้นเองเรายังไม่ได้เป็นเทวดาก็อยากจะเป็นเทวดาขึ้นมาระดับมนุษย์นี้เป็นอย่างไรก็รักษาศีลห้าไปเพียงอย่างเดียวก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์ แต่ถ้าอยากจะขึ้นไปจากระดับมนุษย์ก็ต้องนอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทำบุญทำทานเพิ่มขึ้นไปถึงจะขึ้นไปสู่ระดับเทวดาได้แล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าระดับเทวดาก็ต้องไปรักษาศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบใจเข้าฌานได้ใจก็จะขึ้นไปสู่ระดับพรหมทันที นะ้ถ้าอยากจะขึ้นไประดับแล้วไม่กลับลงมาก็ต้องขึ้นไประดับของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี้ต่างจากระดับของพรหมระดับของเทวดาระดับของมนุษย์เพราะว่าระดับของพระอริยบุคคลนี้ขึ้นไปแล้วจะไม่เสื่อมลงมาแต่ระดับของพรหมของเทพของมนุษย์นี้ยังเสื่อมได้ เกินไปเป็นพรหมพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหมดกําลังก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพพอเป็นเทพไปสักพักบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพหมดลงก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์นแล้วถ้าพอมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่รักษาสีหน้าเดี๋ยวก็เสื่มลงไปเป็นเดรัจฉานต่อไปได้เี่ยผู้ที่จะจากมนุษย์ลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานก็ไปด้วยการทําบาปนี่เอง ไปด้วยการไม่รักษาศีหน้าถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นสัตว์เลื้อยคานก็ต้องรักษาศีหน้าไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้ารักษาศีหน้าได้แล้วเวลาตายไปเวลาไปเกิดใหม่ก็จะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นนกเป็นลิงเป็นอะไร ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าไปเป็นพระอริยบุคคลแล้วจะไม่เสื่อมพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนธรรมดาพวกที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนี้เราเรียกว่าปุถุชนไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทศเป็นมนุษย์นี้เราถือว่าเป็นปุถุชนก็ยังอยู่ใน อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่แต่พอไปเป็นพระอาริยบุคคลแล้วการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็จะถูกลดน้อยลงไปจนไม่มีการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอีกต่อไปขั้นแรกขั้นของพระอาริย บุคคลขั้นแรกคือขั้นโสดาบันนี้ยังต้องมีการกลับมาเกิดอยู่ไม่เกินเจ็ดครั้งเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาแต่จิตใจนี้ไม่เป็นปุถุชนจิตใจนี้เป็นพระโสดาบันไม่เสื่อมจากการเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้มีความสุขจิตใจของพระโสดาบันนี้มีความสุขมากกว่าจิตใจของปุถุชน แล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นถ้าขึ้นไปสูงอีกขั้นหนึ่งก็จะลดการกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นอีกเพียงครั้งเดียวพอได้ขั้นที่สามนี่ก็จะไม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่จะกลับมาเกิดเป็นพรหมแล้วพอได้ขั้นที่สี่ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดา เป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่มีการเวียนว่ตาตายเกิดอีกต่อไป น, นี่คือสินค้าต่างๆของศาสนาพุทธที่เราจะเลือกซื้อได้เหมือนกับรถยนต์ของบอริษัทต่างๆนี่เขาจะมีรถยนต์หลายชนิดยจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มีความเร็วสูงมีความเร็วต่ำมีสมรรถภาพมีความสามารถ ที่เอาไปใช้งานได้ต่างกันผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ก็มักจะต้องไปไปทดสอบขับดูหรือไม่เะนั้นก็ไปอ่านโฆษณาของสินค้าต่างๆเพื่อจะดูว่าจะเหมาะกับความต้องการของตนหรือไมอ่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รู้ว่าศาสนาพุทธนี่มีอะไรขายให้กับเราหรือมอบให้กับเราวิธีซื้อสินค้าของศาสนาพุทธนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อด้วยเงินทองเพต้องซื้อด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็รักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วจะได้เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็ต้องรักษา ศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานไปควบคู่กันไปถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิแล้วก็จะได้เป็นพรหมถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องไปเรียนทางปัญญาให้เห็นอริยสัจสีให้รู้จักอริยสัจสี่ให้รู้จกัาาจกไตรลักษณ อริยสัจสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอันนี้เป็นอริยสัจสี่เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีอริยสัจสี่มีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคแต่สัตว์โลกนี้ไม่รู้กันว่าตอนเองในจิตใจของตอนนี้มีทุกข์แลไม่รู้ว่า ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆและก็ไม่รู้ว่าเวลาทุกข์ดับไปดับได้อย่างไรทุกข์ของผู้ที่ไม่รู้ว่าริยสัจสีนี้ไม่ได้ดับด้วยมรรคดับด้วยเพราะว่ามันหมดแรงพอเหตุที่ทำให้มันทุกข์มันหมดแรงความทุกข์ก็หายไปเช่นเวลาเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงแล้วมันก็หายไป แต่ถ้ามาศึกษามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนว่าในใจเรานี้เรามีเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้โดยไม่ต้องรอให้มันดับของมันเองมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราดับมันได้ทันทีไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนคนบางคนใชมไหมเวลาเสียคนรักไปนี่ร้องไห้เป็นเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดเดือนเจ็ดปี คิดถึงคนรักทีไรก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาทุกทีแต่ถ้ามีอริยาาสัจสี่ที่เป็นฝ่ายที่มาแก้ความทุกข์ก็เรียกว่ามรรคเกิมีมีปัญญาก็จะสามารถที่จะหยุดความทุกข์ได้ทันทีเพราะปัญญาจะเสียงอะไรมันดังไม่รู้เสียงเครื่องมันเริ่มนวนนะพอพอมีปัญญาจะรู้ว่าเวลาเราทุกทุกเพราะอะไร ทุกพออยากอยากให้แฟนกลับมาแฟนตายไปแล้วแต่ยังอยากให้แฟนกลับมายังอยากจะอยู่กับแฟนเหมือนเดิมพอคิดถึงแฟนขึ้นมาก็ร้องไห้เพราะแฟนไม่กลับมาแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์แต่พอได้ปัญญาได้สติเตือนใจว่าเขาไม่กลับมาแล้วอยากยังไงเขาก็ไม่กลับร้องไห้ยังไงเขาก็ไม่กลับร้องไปทาไมเสียเวล า, วาเปล่า อยากได้แฟนใหม่ก็หาใหม่ไม่ดีกว่าเลยก็เลยเอาหยุดคิดถึงแฟนเก่าแล้วก็เริ่มไปหาแฟนใหม่ใชเดี๋ยวได้แฟนใหม่ก็หายทุกข์อีกแล้วแต่เดี๋ยวพอเสียแฟนใหม่ไปก็ทุกข์ใหม่อีกออแต่ถ้าคนมีปัญญาก็รู้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เจดวันเจ็ดคืนเวลาแฟนจากไป ก็ต่อไปก็จะไม่มีแฟนดีกว่าอ น, นี่คือปัญญาอริยสัจสี่ปัญญาอริยสัจสี 4. สองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สมุทัยคือความอยากพอมีความอยากความทุกข์ใจก็จะเกิดแต่พอมีปัญญาที่เป็นมรรคก็จะดับความทุกข์ได้นี่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่าอริยสัจสี่ ทุกสมุทยัยนิโรธมากทุกก็คือความทุกข์ใจสมุทัยก็คือเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากนิโรธก็คือความความดับของทุกทุกดับได้เพราะอะไรดับได้เพราะมรคมร ก, ก็คือเครื่องมือดับทุกมร ก, ก็คือปัญญาเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักของอริยาาสัจสีเราจะสามารถควบคุมความทุกข์ของใจเราได้ เราจะรู้จักวิธีดับทุกเวลามันปรากฏขึ้นมาพระโสดาบันนี้เริ่มรู้จักวิธีดับทุกแต่ยังดับไม่ได้ทุ ก, ทกชนิดดับได้บางชนิดต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะดับทุกชนิดต่างๆตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดทุกต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรอีกต่อไป ใครจะด่าก็ไม่ทุกข์ใครจะทิ้งก็ไม่ทุกข์ใครจะทำร้ายก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์จะไม่มีอะไรจะทำให้ใจของผู้ที่มีอริยสัจสี่มีปัญญานี้ทุกข์ได้ผู้ที่เห็นอริยาาสัจสี่นทุกข์ได้อีกต่อไปนี่คือระดับของพระอริยบุคคลพอไม่ทุกข์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไป เกิดเป็นมนุษย์เพื่อหนีทุกข์กันที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราหนีทุกข์กันหนีเพราะว่าเราทุกข์เพราะเราอยากได้นู่นอยากได้ น, นี่พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราได้ทําตามความอยากเราก็หายทุกข์อยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็มีความสุขขึ้นมาอยากได้แฟนก็พอได้แฟนมาก็มีความสุขขึ้นมาเราก็เลยยังอยากมาเกิดกันอยู่ แต่พอเรามาเห็นว่ามาเกิดแล้วเดี๋ยวต้องมาเสียสิ่งที่เราได้ไปก็ต้องมาทุกข์ใหม่เองได้แฟนมาเดี๋ยวก็ต้องเสียแฟนไปเพราะไม่ว่าจะได้อะไรในไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมันไปต้องพัดพาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ พอรู้อย่างนี้ก็ไม่อยากดีกว่าไม่อยากได้อะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทำใจให้สงบแล้วก็ไม่แล้วก็ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือระดับของพระอริยบุคคลจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอีกต่อไป เพรเห็นด้วยปัญญาว่าการเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วจะต้องมีการพัดผ่าจากสิ่งที่เราได้มาไปแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายแล้วมาเกิดอีกครั้งก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอตายไปแล้วความอยากที่จะอยากจะหาความสุขจากทางร่างกายก็ยังจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่เราต้องหยุด การหาความสุขทางร่างกายให้ได้ด้วยการไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอเรามีความสงบเรามีความสุขมีความพออยู่ในตัวเราก็ไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปพอมีความอยากมาหลอกให้เราไปหาความสุขล้วก็บอก เราก็ใช้ปัญญาแก้แปลว่าไปไม่ได้ไปแล้วทุกไปทำไมถึงแม้ว่าจะสุขก็สุขเดียวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาได้ก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียใจพอเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันจะต้องเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าไม่ไปทําตามความอยากดีกว่าซื่ออยู่กับความสงบดีกว่าต่อไปก็ไม่ต้องมีความอยาก ความอยาก ต, าต่างๆที่มีก็จะหายไปหมดเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้มาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพากจากกันก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอันนี้เป็นระดับสุดท้ายระดับสูงสุดของของศาสนาพุทธมีเบ็นเหมือนสินค้าชนิดต่างๆ ระดับแรกก็ระดับของมนุษย์รักษาศีหน้าระดับที่สองระดับของเทวดารักษาศีหน้าทำบุญทำทานระดับพรมไปบวชถือศีลแปดไปนั่งสมาธิก็จะได้ระดับพรหมถ้าอยากจะได้ระดับพระอริยเจ้าก็ต้องมีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรลัก รู้ว่าอริยสัจ ส, สี่คืออะไรใตรักคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออะไรพอรู้แล้วเข้าใจก็เอามาปฏิบัติกับใจกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปพอไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์การยะมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับ จากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันดังนั้นผู้ที่จะฟังธรรมนี้ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถึงจะสามารถรับประโยชน์ได้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปเรียนรู้ก่อนเพราะคําพูดแต่ละคํานี้มันมีความปีศับมีความหมายที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ถ้าไม่เคยเข้าวัดคำว่าทานก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรคําว่าศีลก็จะไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรต้องมาอธิบายกันยาวเป็นขั้นขั้นไปศีลห้าก็ต้องอธิบายว่าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเรียกว่าศีลห้าก็ต้องมาอธิบายสุรายาเมาเป็นอะไรเด็กยังไม่เคยเด็กยังไม่เคยดื่มสุรามันก็ไม่รู้ เด็กจะรู้ก็แค่พูดปดสี่ห้าในมีสนหรับเด็กก็จะรู้อยู่สองข้อสามข้อข้อหนึ่งก็คืออย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปตบยุงอย่าไปฆ่ามดฆ่ามแมลงอะไรต่างๆอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปเอาทรัพย์ของคนอื่นอย่าไปหยิบของของคนอื่นโดยที่เจ้าของเ็าไม่อนุญาตแล้วก็อย่ากโกหก ถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นปลาก็อย่าไปผิดทำผิดสี่ห้า น, นี่คือเรื่องของการแสดงธรรมการสั่งธรรมซึ่งบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่ายากต่อผู้ที่จะพูดว่าไม่รู้จะพูดไปทางไหนดีพูดไปทางทางเด็กผู้ใหญ่ก็เสียเวลาพูดไปทางผู้ใหญ่เด็กก็ไม่รู้เรื่อง จึงบางทีต้องแยกกันไม่มารวมกันเอนถ้าอยากจะรับดับเด็กนี้ต้องไปติดต่อที่วัดญาณ น, นี่เขาจะมีสอนระดับเด็กมีเฮาเด็กมาเข้าค่ายมาสอนเด็กให้รู้จักความกัตันยูกัตะเวทีรู้จักสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้เอเป็นธรรมะสําหรับเด็กเอ ที่วัดยาเนี้เขาจะมีเอาเด็กมาเข้าค่ายมาฝึกอบรมสามวันสามคืนจะสอนธรรมะระดับต่างๆมีระดับปฐมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแต่ที่นี่สำหรับเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงก็หลยไม่ค่อยถนัดที่จะสอนทางด้านอื่น ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามาฟังแล้วไม่เข้าใจถ้าอยากจะพาเด็กมาควรจะไปติดต่อกับพระที่วัดญาณจะดีกว่าเขามีการรับเด็กมาฝึกฝนอบรมมีเข้าค่ายธรรมะสามวันสามคืน น, นี่คือเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อย ก็คิด <t> ว <ic> ่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาท้าวเรวาหาปุราปริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปัปปติอิธิตังปัชิตังตุมหังคิอปะเมวะสมิตาตต สัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณีโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินัสตุมัเตภวะตวันตารายโยสุขีทีคายุโกปาวะ <th> อภพิวาทานสิลิตสานิจังุทาปจายโนจตารโธัมมวทานเิอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวขอสำรวจดูก่อนว่าวันนี้คนติดตามเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f ฟ c e b o o สองร้อยแปดสิบเจ็ดยูสามร้อยสองวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้าผู้รับฟังบนเขาหกสิบเอ็ดเด็กประถมเจ็ดสิบห้ายอดรวมไม่รวมเด็กประถมนะคะหก5้อยเจ็ดสิบห้าค่ะ ทำไมไม่รวมได้นะถือว่าเป็นลิงอ่ะถ้าเด็กก็เจ็ดร้อยห้าสิบรวมได้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบนกมาได้ไงไม่รมูอ้ออาวันนี้หนูมีคำถามเดี๋ยวส่งไม่ไปช่วยพูดผ่านทางไม่หน่อยจะได้ยินเสียงดังๆ พูดใกล้ๆปากนะกลันะนะกบน้ัมศการพระอาจารย์ค่ะดังหน่อยสวัสดีค่ะกลับน้ัสศการพระอาจารย์นะคะหนูมีคําถามว่า เ, เมื่อก่อนเนี่ยก็คือทําตัวผิดศีลห้าก็ผิดเป็นบางข้ออย่างเงี้ยค่ะ อ, อแล้วก็มาอ่านหนังสือธรรมะก็เกิดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็คือปฏิบัติธรรมศึกษาตามอ่าพระรยสงฆ์เป็นตัวอย่างอยากรู้ว่าถ้กเราจากโลกนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราเคยไม่เคยทำไม่ดีปฏิบัติผิดศีลห้ามาเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมาชดใช้กรรมด้วยไหมคะจากกรกรม<ะ>ที่เราทำไปเนี่ยไม่ช้าก็เร็ว ถ้าเรายังมาเกิดอยู่เราก็ยังต้องใช้มันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่กับบัจใจอย่างอื่นคือบุญถ้าเกิดเรามีบุญทำบุญไว้มากกว่าทำบาบุญมันจะส่งผลก่อนบาปก็ยังจะไม่มีโอกาสได้ส่งผลบาปมันจะส่งผลต่อเมื่อบุญมันน้อยกว่าบาปนี่พูดถึงตอนที่เราตาย ตอเราตายนี้บุญกับบาปมันจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปอาบายอันนี้ก็คือว่าเราต้องสมมติว่าถ้าเรามีบาปมากกว่าแต่เราก็ยังทำบุญบ้างในสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องไป ไปอบายาไปอบาบ า, บายก่อนแล้วเมื่ อ, อชดใช้กรรมอบายเสร็จแล้วเราถึงจะไปเสวยบุญใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็พอบุญพอกรรมที่เราไปใช้มันลดมาเท่ากับบาเท่ากับบุญเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอแล้วก็มาทำบุญทำบาปเพิ่มขึ้นอีกนะพอเวลาตายถ้าบุญมากกว่าบาปทีนี้มันก็จะไปสวรรค์ได้ มันจะมาดูตอนที่ช่วงที่เราตายจิตสุดท้ายของเรานี้เหมือนคิดบัญชีว่าในใจเราเราได้ทำบุญไว้เท่าไหร่เราได้ทำบาปไว้เท่าไหร่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปาทางาบายถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปทางสวรรค์แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปบาปกรรมที่ทำไว้มากน้อยที่เหลืออยู่ก็ไม่มีผลต่อไปบุญก็เช่นเดียวกันบุญที่เคยได้ทำไว้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอีกต่อไปเ<ม>พราะเราไม่กลับมาเกิดแล้วขอบพระคุณ<ม>พระอาจารย์มากค่ะยันไม่ต้องกังวลกับบุญหรือบาปที่ทำไว้ในอดีตตอนนี้เรายังมีเวลาที่จะทาบุญได้อีกเยอะยัรีบทาบุญไปเรื่อย ดูองคุลิมาลเป็นตัวอย่างองคุลิมาลก็ฆ่าคนต้องเก้า้อยเก้าสิบ้าคนเพราะถูกหลอกไม่รู้ว่าบาปคิดว่าเป็นวิธีทำให้บรรลุธรรมพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกต้องฆ่ากิเลสไม่ใช่ไปฆ่าคนพอมาฆ่ากิเลสก็บรรลุเป็นพ้าอราหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกรรมที่ได้ทำไว้ก็จะใช้แต่เฉพาะชาตินี้ชาติสุดท้าย เป็นบ้านฐานแล้วไปเวลาไปตามหมู่บ้านที่คนรู้จักนี่เขายังเอาก้อนหินเวยเียงใส่ไล่ mm hmm. เพราะว่าไปทำให้เขาเจ็บจำน้ําใจแต่เราจะใช้กรรมเพียงในขณะที่อยู่ในปัจจุบันนีอ mm hmm. พอตายไปแล้วกรรมที่ได้ทำไว้ก็หมดหมดไม่สามารถที่จะไปดึงให้กลับมารับผลกรรมได้อีกต่อไป เร่งรีบปฏิบัติให้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะพ้นอาบายถ้าเป็นพระโสดาบานนี้ถึงแม้จะกลับมาเกิดก็ไม่เกิดในอาบายจะเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์าใครมีคําถามอื่นก็ถามได้ไม่มีเอาทางบ้านต่อคําถามจากคุณมิชิโกเวลาพระท่านสวดพุทธมนต์แล้วสวดตามเบาๆบางบทหรือ บางวลีจะเป็นบาปไหมคะจะมบาปตรงไหนนะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปลดไม่ได้ดื่มสุรายามเมาก็ไม่รู้บาปตรงไห น, นสวดเบาๆนะสวดไม่ดังนะนี่ไงเขาถามว่าสวดเบาต้อสวดดังเลเ อ, อถามแค่ว่าสวดตามค่ะสวดตามค่ะสวดในใจก็ถามจะบาปตรงไหนนะก็สวดไปเนี่ยก็ ก็เป็นการฝึกสมาธิไปกับพระพระก็สวดไปโยมก็สวดตามอันนี้ก็เป็นการฝึกสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุ่งซ่านถ้าสวดมนต์ไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบเป็นบุญไม่ได้เป็นบาป คำถามจากคุณบุญเสริมการนั่งสมาธิให้จิตถึงฌานจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดแผ่เมตตาก่อนไม่จำเป็นนะแล้วแต่บางคนถ้าคิดว่าถ้าสวดแผ่เมตตาแล้วทำให้สงบก็สวดได้บางคนก่อนจะทำอะไรต้องมีการไหว้ครูก่อนมีการฟ้อนลำก่อน นักมวยเวลาจะต่อยกันเขาต้องมีการไหว้ครูก่อนแต่บางถ้าเป็นมวยสากลเขาไม่ต้องไหว้ครูเขาก็ต่อยกันเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติบางทีเวลาจะนั่งสมาธิก่อนนั่งถ้าได้สวดอิติปิโสได้แผ่เมตตาแล้ว จิตรู้สึกเย็นสบายแล้ค่อยนั่งสมาธิต่อก็ได้บางคนเสียเวลานั่งเลยดีกว่าก็ได้แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติคำถามจากคุณจิราพรการกินเนื้อสัตว์นี้ถึงแม้จะกินโดยไม่ได้ฆ่าเขาแต่กินเขาแทบทุกวันอย่างนี้ไม่เท่ากับว่าเราสนับสนุนการ เท่ากับว่าเราสนับสนุนการฆ่าเช่นกันใช่ไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ไปสั่งเราไม่ได้สนับสนุนนะาเขาค่าแล้วแล้วเราไปกินนี่มันถ้าเราไปสั่งเขาก่อนเถอะอย่างเี้สนับสนุนว่าให้ hey, พวกนี้เอาไก่สามตัวนะอย่างเงี้ยสนับสนุนให้เขาค่าแต่ถ้าเราไม่เราไม่ได้ไปสั่งเขาเขาอยากจะฆ่าเขาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปซื้อแล้วเขาคิดว่าพวกนี้จะมีคน ซื้อเอกเข า, ขขาก็ไปฆ่าเองแต่พวกนี้เราอาจจะไม่ซื้อก็ได้ห็นมันไม่เกี่ยวกันหมดแล้วเหรอคือจะว่ามันเกี่ยวก็ได้จะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ในหลักของกรรมนี่มันไม่บาปถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองหรือว่าถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่า ทำเองก็ดีหรือสั่งให้ผู้อื่นทำก็ดีถึงจะเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเขาเขาฆ่าของเขาเองแล้วเขาเอาเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาขายเราซื้อนี่ไม่บาปแต่จะว่าสนับสนุนหรือไม่อันนี้ก็ไม่ไม่เถียงจะว่าสนับสนุนก็ได้ถ้าเขามาขายแล้วเราไม่ซื้อเขาก็อาจจะไม่เขาอาจจะไม่ฆ่าหรือฆ่าน้อยลง ค่าพอให้เขาอยู่ได้ก็ออไม่เป็นไรก็การสนับสนุนก็ไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดถ้าไม่ได้สนับสนุนด้วยการสั่งให้เขาฆ่าหรือหรือทําเองเออถ้าเราไปสั่งเขาสนับสนุนว่าพี่พรุ่งนี้เอามาสามตัวนะะเงถ้าอย่างนี้บาปด้วยสนับสนุนด้วย แต่ถ้าไม่สั่งเขาแล้วเขาเอามาขายเราเราวันไหนอยากจะซื้อเราก็ซื้อวันไหนไม่อยากจะซื้อเราก็ไม่ซื้ออจะเรียกว่าสนับสนุนก็ได้ไม่สนับสนุนก็ได้แต่ไม่บาปหรือว่าถ้าเงี้ยคนที่สร้างถนนนี่ก็เรียกว่าสนับสนุนให้คนไปประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยคนผลิตรถยนต์ก็ต้องสนับสนุนให้คน ไปขับรถซื้อขับรถคว่ำกันสิเพราะถ้าไม่ผลิตรถยนต์มันก็มันก็ไม่มีรถคว่ำใช่ไหมถ้าไม่มีถนนวิ่งมันก็ไม่มีรถชนกันใช่ไหมออันนี้ก็จะเรียกว่าสนับสนุนก็ได้แต่มันบาปไหมไม่บาปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับไก่กับไข่อันไหนมาก่อนมาหลังอย่าไป อย่าไปค้นหาเลยปวดหัวเปล่าๆไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลอะไรกับกับตัวเราให้มาสนใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเราดีกว่าว่าทําอะไรอย่างไรถึงเป็นบาปทาอย่างไรถึงไม่เป็นบาปถ้าถ้าไม่ฆ่าเองแต่สั่งให้เขาฆ่าก็บาปแต่ถ้าไม่ฆ่าเองไม่สั่งให้เขาฆ่า ไม่บาปถึงแม้เขาฆ่าแล้วเ้าเอามาให้เรากินก็กินได้อย่างพรานี่ไม่รู้อิเห น, เนพาพยาโยมไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรือเปล่าโมวันนี้เดี๋ยวพวกนี้จะเอาไปใส่บาตเนี่ย ถ, ถ้าพราตรับก็แสดงว่าสนับสนุนให้เขาฆ่าเนี่ยอาจะว่าสนับสนุนก็ได้แต่ไม่รู้ แต่พระนี่รับไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าญาติโยมมาบอกลงนะมาบอกว่าเนี่ยฆ่าไก่ตัวนี้เพื่อมาตั้งใจจะถวายพระจริงๆถ้าทำด้วยความตั้งใจนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่ให้รับถ้าเขาบอกว่าผมข่าไก่เนี้เอาไก่ย่างมาถวายท่านนี้เพราะอยากใช้ใท่านได้กินไก่ผมก็เลยข่าไก่มาถวายถ้าบอกแล้วรู้อย่างงี้ก็บอกว่ารับไม่ได้ คำถามจากคุณจูหากเรากินอาหารที่มีส่วนผสมของเหล้าเช่นขาหมูผิดศีลไหมคะอย่ว่าผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้แล้วต่ว่าเราจะมองเหล้าว่าเป็นอะไรถ้ามองเหล้าว่าเป็นเหมือนกับชูรสที่เขาใส่ไปในอาหารเหมือนน้าําตาน้ําตาลเหล้ามันก็เป็นรสอย่างหนึ่งกินแล้วมันก็ไม่เมาใช่หไหมมันไม่ได้กินแล้วเมาวะบ่า การดื่มโซดาที่ไม่ให้ดื่มเบ้าดื่มแล้วมันเมาดื่มแล้วมันทําให้เสียสติขาดสติควบคุมใจควบคุมกายควบคุมวาจาไม่ได้ถ้ามองด้วยหลักการแบบนี้กินอาหารที่มีเหล้าผส ม, มอยู่มันไม่บาปหรอกแต่ถ้ามองในคําพูดคํำภาษาของห้ามกินเหล้าอานี้ก็บาปเพราะว่ามันมีเหล้าหยดหนึ่งในอาหารมันก็บาปแล้วใช่ไหม ก็ห้ามกินเหล้าเนี่ยมีเหล้าอยู่หยดหนึ่งกินเข้าไปมันก็บาปแล้วเพียงแต่ว่ามันบาปมันก็มีระดับมีมากมีน้อยกินหยดหนึ่งกับกินขวดหนึ่งนี่มันบาปต่างกันเพราะความเมามันมากน้อยต่างกันอันน้ก็ตอบได้อย่างนี้แล้วจะว่าบาปก็ได้ไม่บาปก็ได้คำถามจากคุณชอบเพชร ไรัรกมีความสาคัญอย่างไรเจ้าคะก็เป็นความจริงที่เรามองไม่เห็นกันนังทำให้เราทุกข์กันเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เรารักเราชอบนี้มันเป็นไตรลักษ์มันไม่เที่ยงมันต้องมีวันสิ้นสุดลงพอเราพอมันสิ้นสุดลงมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเวลาเขาสิ้นสุดลงแล้วเช่นแฟนเราตายไปอย่างนี้พอแฟนตายไปเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนเราอีกแล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงพอเขาเป็นอนิจจังเขาก็เลยทำให้เราทุกข์พอเขาไม่เป็นของเราก็เลยทำให้เราทุกข์นี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะแฟนอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างยกขึ้นมา ไม่ว่าอะไรต่างๆที่เราไม่อยู่ในขณะนี้เข้าของเงินทองต่างๆแม้กระทั่งร่างกายของเรามันก็เป็นไตรลักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้คือไม่ไปยึดไปติดมันถ้าเราไม่ไปยึดไปติดจะมันเวลามันมันจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะไม่อยากให้มันจากเราพอเรามีความไม่อยากให้มันจากเรามันก็จะทําให้เราทุกข์อันนี้คือตายรักมันมีประโยชน์กับใจเราถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่ที่เราทุกข์อยู่เพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นตายรักเราเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ความจริงมันจะเปลี่ยนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตลอดเวลา เช่นตอนแต่งงานกันนี่โอ้ยสุขจังฮะอันนี้สุขจะอยู่กันไปตลอดนิจจังแต่งงานกันแล้วจะอยู่กันไปจนวันตายนิจจังสุขขังไปตลอดเป็นของกันและกันไปตลอดแต่พอวันดีขึ้นดีอาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือมีโรคร้ายระบาดแพร่เข้ามา ต้งตายจากกันไปคนหนึ่งทีนี้นิจังก็กลายเป็นอนิจังไปสุขขังก็กลายเป็นทุกขังไปอัตตาก็กลายเป็นอนัตตาไปนี่นี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นเรามักจะมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราถึงต้องมาล่องห่มล้องไห้เวลาความจริงมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นหมดไหมยังหมดแล้วค่ะ okay. มีใครอยากจะถามอะไรอหมอมีคําถาม กับนมัสการพระอาจารย์นะค ะ, อะขอถามเรื่องจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะสิ้นใจอะคะอ่ะว่ามันจะเป็นไปตามบุญกรรมที่เราทาโดยอัตโนมัติหรือว่าจริงๆแล้วคือเราสามารถควบคุมได้แล้วถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเราเกิดไปนึกเรื่องที่เราเคยทำอย่างผิดศีลบางข้ออย่างเงี้ยคะ่ะตรงนั้นจะทำให้เราลงอบายภูมิเลยไหมคะก็ถ้าเรามีเอนจีระดับพระอริยะเราก็ เปลี่ยนจิตสุดท้ายได้อย่างพ่อของพระพุทธเจ้านี่ก่อนจะตายเจ็ดวันพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมก็บรรลุเป็นผ้าละหันขึ้นมาได้อันนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้ามีความสามารถที่จะเปลี่ยนและมีคนสอนให้เปลี่ยนสอนให้ปองให้วางไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายยินดีตายถ้ายินดีตายมันก็มันก็จะไม่ทุกข์กับความตาย แต่ถ้าไม่ยินดีตายมันก็จะทุกมันก็จะวุ่นวายจะเด่นจะหนีความตายยัง อ, อยู่ที่ว่าเราสามารถฝึกผลอบรมจิตใจให้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้หรือไม่ถ้าควบคุมบังคับได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตสุดท้ายได้แต่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไปเปลี่ยนตอนจิตสุดท้ายมันไม่มีเวลาเหมือนเหมือนนักมวย ถ้าไม่ซ้อมไลยก่อนจะไปซ้อมตอนที่จะขึ้นซ้อมบนเวทีก็ถูกเข้นอกเท่านั้นเองถ้าอยากจะพลิกจิตสุดท้ายมันต้องพลิกตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้ก่อนถ้าพลิกตอนนี้ได้แล้วเวลาจิตสุดท้ายมันจะไปทางไหนแล้วก็พลิกมันกลับมาในทางที่เราต้องการให้มันไปก็ได้อ๋อพระคุณเจ้าค่ะยังไม่มีมาใช่ไหมแล้ว ม, มีอยู่มีค่ ะ, ะคาถามจากคุณมิชิโกะค่ะ เลิกยามมีอิทธิพลกับมนุษย์หรือไม่เจ้าคะก็มีทางจิตใจทางจิตวิทยาคนเชื่อก็ต้องถือเลิกถือยามคนไม่เชื่อก็ไม่ถือต่างพุทธศาสนาให้ถือเลิกสะดวกสะดวกเมื่อไหร่ก็ทําไปเลยไม่ต้องไปดูว่าดาวนั้นกับดาวนี้มาชนกันหรือไม่อะไรไม่เกี่ยวนี่เรียกว่าเลิกสะดวก สะดวกก็คือเนี่ยจะทำอะไรมันต้องทุกอย่างต้องสะดวกจะไปซื้อรถเนี่ยไปซื้อตอนตีสองรถเขาก็ไม่ขายจะถามมาถามพ่อว่าจะออกรถเวลาไหนดีถ้าเลิกบอกบตีสองจะทำไงมันต้องไปบอกที่ร้านพี่ช่วยเปิดร้านให้หน่อยใช่หมมันมันไม่เกี่ยวแต่ถ้ามันเชื่อแล้วมันก็ต้องทำตามที่มันเชื่อมันจะได้สบายใจ ถ้ามันไม่ัมนไม่เชื่อมันก็ไม่ต้องทำมันก็ทำไปตามสบายของมันหมดแล้วเลยคมีอีกค่ะถามต่อคำถามจากคุณวิไลพันธ์หลักทำใดช่วยให้ระงับความหมงุดหงิดโมโหง่ายได้คะหลักสติไงฮัด หัดจเจริญสติพุโทโธพุโทโธหัดต้องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจพอเวลาไม่สบายใจก็พุธโธพุธโธไปไม่ห้าไม่ไม่เกินห้านาทีก็หายมันจะลืมเรื่องที่จะทําให้เราไม่สบายใจพอเราอยู่กับพุธโธพุโทโธเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปแล้วใจเราก็กลับมาสบายพอมันจะไปคิดอีกเราก็พุธโธใหม่อีก พอจะไปคิดที่เรื่องที่ไม่ไม่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็พุโทโธใหม่เหมือนรถเน่ยรถเวลาเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกเสร็จมันหยุดเราก็ปล่อยเบรกเดี๋ยวถ้ามันไหลอีกก็เหยียบอีกสติดีที่สุดง่ายที่สุดพุดโทโธคําเดียวเนี่ยหัดท่องให้ได้เถอะเนี่ยถ้าทําพุโทโธได้ห้านาทีแล้วปัญหาต่างๆนี่แก้ได้เยอะแยะไปหมดจะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใคร พอโกรธใครพอเสียใจอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปห้านาทีหายคำถามจากคุณสุปราณีการนำเงินใส่บาทพระเพื่อการทําบุญเป็นบาปไหมคะ อ, อ๋อเป็นบุญจะทบุญจะเป็นบาปได้ไงถึงแต่ว่ามันผิดระเบียบของพระพระเขาไม่ให้รับจับต้องเงินทองแต่สมัยนี้มีพระที่จับต้องเงินทองได้กับไม่ได้คือเป็นเรื่องของกฎระเบียบ เมื่อก่อนพระเจ้าห้ามไม่ให้พระจับต้องเงินทองแต่สมัยนี้พระส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าสมัยนี้มันจําเป็นจะเดินทางไปไหนมาไหนมันต้องจ่ายค่ารถค่าลาก็เลยต้องจับต้องเงินทองเขาก็เลยรับเงินทองเวลาญาติโยมจะเอาเงินใส่บาตรเขาก็รับ ให้ใส่บาทไปแล้วเขาก็เอาเงินใส่ย่ามไปเวลาเขาจะต้องการใช้เงินทองเขาก็ใช้ได้แต่ยังมีพระอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังถือตามกฎเดิมอยู่คือไม่ให้จับต้องเงินทองแต่ใช้เงินได้แต่ต้องให้ลูกศิษย์เป็นคนนักษาให้เป็นคนถือเงินให้แต่อยากจะใช้อะไรก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาให้ไม่ให้ไปซื้อเองไม่ให้ไปชอปปิ้งเองตามศูนย์การค้าต่างๆ ขาดหรืออะไรก็บอกลูกศิษย์ว่าขาดนู้นขาดนี่ช่วยไปดูให้หน่อยแล้วก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนไปจัดการให้อย่างนี้ยังทำได้อยู่หมดแล้วนะวโอเคก็ท่านอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ